คำแสดงคุณลักษณะของนิพพานในเมื่อนิพพานเป็นสิ่งเห็นได้ยากยังรู้ตามได้ยากเม่อ ย, ยังไม่เห็นก็นึกไม่เห็นเมื่อยังไม่เข้าถึงก็คิดไม่เข้าใจถ้อยคำที่จะใช้บอกตรงๆและสัญญาที่จะใช้กำหนดก็ไม่มีดังเด็กกล่าวมาชะนี้จึงน่าสังเกตว่าในการกล่าวถึงนิพพาน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 เช่นว่านิพพานคือความสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนิพพานคือความดับแห่งภพนิพพานคือความสิ้นตัณหาคือที่จบสิ้นของทุกดังนี้เป็นต้นสำหรับคำว่าที่จบสิ้นของทุกเป็นคำแสดงความหมายโดยไว ย, ยะไม่ใช่เป็นคำจังกัดความโดยตรง หรือใช้คำเรียกอันแสดงภาวะที่ตรงข้ามกับภาวะฝ่ายวัตตะโดยตรงเช่นเป็นอสังคตะคือไม่ถูกปรุงแต่งอัชระไม่แก่อมตะไม่ตายเป็นต้น 2. แบบวัยพ์หรือเรียกตามคุณภาพ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 3. แบบอุปมาถ้อยคำอุปมามักใช้บรรยายภาวะและละักษณะของผู้บรรลุนิพพานมากกว่าจะใช้บรรยายภาวะของนิพพานโดยตรงเช่นเปรียบพระอาหารหันต์เหมือนโคนนำฝูงที่ว่ายตัดประแสน้ำข้ามถึงฝั่งแล้วเหมือนคนข้ามมหาสมุทรหรือห่วงน้ำใหญ่ที่มีอันตรายมากถึงฝ้าขึ้นยืนบนฝั่งแล้ว จะว่าไปเกิดที่ไหนหรือจะว่าไม่เกิดเป็นต้นก็ไม่ถูกทั้งสิน้นเหมือนไฟดับไปเมื่อสิ้นเชือ้ออย่างไรก็ตามคำเปรียบเทียบภาวะของนิพพานโดยตรงก็มีอยู่บ้างเช่นว่านิพพานเป็นเหมือนภูมิภาคอันราบเรียบหน้ารื่นรมเหมือนฝั่งโน้นที่กระแสไม่มีภัยและเหมือนพจนสาราแจ้งข่าวความตายที่เป็นจริง เป็นต้นที่ใช้เป็นคำเรียกเชิงเปรียบเทียบอยู่ในตัวก็หลายคำเช่นอโรขยะความไม่มีโรคหรือสุขภาพสมบูรณ์ทีปะคือเกาะหรือที่พ้นภัยเลนะคือถ้ำหรือที่กำบังภัยเป็นต้นในสมัยคำพีรุ่นต่อๆมาที่เป็นสาวกพาสิต ถึงกับเรียกเปรียบเทียบนิพพานเป็นเมืองไปก็มีดังคาว่าอุดมบุรีและนิพพานนครซึ่งได้กลายมาเป็นคำเทศนาโวหารและวันณคดีโวหารในภาษาไทยว่าอามาตะมหานครนฤะพนบ้างเมืองแก้วกล่าวแล้วคือพระนิพพานบ้างแต่คำหลังนี้ไม่จัดเข้าในบรรดาถ้อยคำที่ยอมรับว่าใช้แสดงภาวะของนิพพานได้ แบบที่สแบบบรรยายภาวะโดยตรงแบบนี้มีน้อยแห่งแต่เป็นที่สนใจของนักศึกษานักค้นคว้ามากโดยเฉพาะผู้ถือพุทธธรรมอย่างเป็นปรชัชญาและมีการตีความกันไปต่างๆทาให้เกิดข้อถกเถียงกันได้มากจะได้คัดมาให้ดูต่อไปทั้งสแบบนี้ถ้าเป็นคำเรียกหรือคำแสดงคุณลักษณะ บางทีท่านก็ใช้เสริมกันมาด้วยกันในข้อความเดียวกันหรือมาเป็นกลุ่มในที่นี้จะเอามาแสดงรวมๆกันไว้เท่าที่เห็นสมควรพอให้ผู้ศึกษาเห็นแนวและขอให้แยกแบบเอาเองอาการหาอสุ ก, กะไม่ดำไม่ขาวคือไม่จำกัดชั้นวันนะไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปอากตะไม่มีใครสร้าง อากินจนะไม่มีอะไรค้างใจไร้กังวลอกุโตภัยไม่มีภัยแต่ที่ไหนอจุตตะไม่เคลื่อนไม่ต้องจากไปอัจจริยะอัศจริย์อัจชัชระไม่แก่ไม่กคร่ำคร่าอัจชาตะไม่เกิดอนตตไม่โอนเอ็นไป ไม่มีตันหาอนาันไม่มีที่สุดอ น, นาทานไม่มีการถือมั่นอ น, นาปะระไม่มีอื่นอีกประเสริฐดีที่สุดอ น, นาไยไม่มีอาไลไม่มีความติดอ น, นาสวะไม่มีอาสวะอณิทัศนะไม่เห็นด้วยตาอณีติกะ ไม่มีสิ่งเป็นอันตรายอนุตระไม่มีอะไรยิ่งกว่ายอดเยี่ยมอัปโลกิตะในวงเล็บนะไม่ผุพังไม่เสื่อมสลายอพยะไม่มีภัยอมตะไม่ตายอามโมสธรรมไม่เสื่อมคลายไม่กลับกลายอภพพูด ไม่เคยมีไม่เคยเป็นหน้าอัศจรรย์อัพยาที่ไม่มีโรคเบียดเบียนอัพยาปัจ ช, ชะไม่มีความเบียดเบียนไร้ทุกข์อภูตะไม่กลายไปอสังกิริธะไม่เศร้าหมองอสังกุปปะไม่หวั่นไหวไม่โยกคลอนอสังคตะไม่ถูกปรุงแต่ง อสังหิระไม่คลอนแคลนอโศกะไม่มีความโศกอโรขยะไม่มีโรคสุขภาพสมบูรณ์อิสริยะอิสรภาพความเป็นใหญ่ในตัวเขมะเกษมปลอดภัยตันหักขยะภาวะสิ้นตันหาตานะเครื่องต้า น, านทานที่คุ้มกัน ทีปะเกาะที่พึ่งทุกขคุขยะภาวะสิ้นทุกขทุทธตะเห็นได้ยากทุะยั่งยืนนิปุณะละเอียดอ่อนนิปปัญจะไม่มีกิเลสเรื่องเนิ่นช้าไม่มีปปัญจะนิพพานความดับกิเลสและกองทุกนิพุติ ความดับเข็นเย็ยนใจนิโรธความดับทุกข์บรมสัต์ความจริงอย่างยิ่งสัจจะสูงสุดปณิตะประนีปรมามัทประโยชน์สูงสุดปรมสุขบรมสุขสุขอย่างยิ่งปรายนะที่ไปข้างหน้าที่หมายปัสสัต ความสงบระ ง, งับสงบเยือกเย็นป่าระฝังหรือที่หมายอันปลอดภัยมุติความพ้นหลุดรอดโมขะความพ้นไปได้โยคะเขมะธรรมะอันกเกษมจากโยคะหรือปลอดเครื่องผูกรัดเลนะที่เร้นที่กำบังภัย วิมุตติความหลุดพ้นเป็นอิสระวิโมกความหลุดพ้นวิราชาไม่มีทุลีวิราคะความจางคลายหายติดวิสุทธิความบริสุทธิ์หมดจดสัจจะความจริงสันตะสงบระ ง, งับ สันติความสงบสารณะที่พึ่งที่ระลึกสิวะแสนกเกษมสำราญสุทิความบริสุทธิ์สะอาดสุทุทศทศเห็นได้ยากยิ่งนักในคำพีชั้นอัฐานที่บายและคำพีที่เป็นสาวกภาสิท เช่นนิเทศปฏิสัมพิธามัคเทระคาถ า, ทาเทราาทาิคาถาอปทานตลอดมาจนถึงคำภีรุ่นหลังๆเช่นอภิธานปทีปิกายังกล่าวถึงหรือจัดคำเข้ามาแสดงความหมายของนิพพานอีกเป็นอันมากเช่นอัคระไม่รู้จักสิ้นไม่พินาศอัคคลิตะไม่พลังพลาดอาจจะละไม่หวั่นไหว อนารมณะไม่ต้องอาศัยสิ่งยึด่วงอนุปาธะความไม่เกิดอภวคะราศจักสังขารพ้นสิ้นเชิงอมรณะไม่ตายอรูปะไร้รูปไม่มีสวดทรงสันฐานอสาปะตะไม่มีค่าศึกอสัมพาธะไม่ขับแคบไม่ขัดข้อง เกวละไม่กลัวระคนสมบูรณ์ในตัวไกวันสำหรับคำว่าเกวละสันสกฤตเป็นไกวันเป็นคำแสดงจุดหมายสูงสุดที่ใช้ในศาสนาเชนในวงเล็บไชนะของนิครนส่วนทางฝ่ายพุทธศาสนาในชั้นบาลียังไม่พบใช้คำนี้หมายถึงนิพพานโดยตรงเป็นแต่เรียกผู้บรรลุนิพพานว่า เกวลีบ้างเกพรีบ้างนิจจะเที่ยงแน่นอนนิรูปตาปะไม่มีความเดือดร้อนปฏิปสัสธิความสงบรำงับเยือกเย็นปัทะที่พึงถึงจุดหมายประภาวะตรงข้ามภาวะยอดเยี่ยมปริโยสาร จุดสุดท้ายจุดหมายปหาณะการละกิเลสอุปสัสสะความเข้าไปสงบวิวัตรภาวะพลวัตตะปราศจากวัตตะบรรดาคำทั้งหมดนี้บางคำถือได้ว่ามีความสำคัญมากเพราะใช้เป็นคำแทนหรือคำแสดงอัศจรรของนิพพานอยู่เสมอ เช่นอสังคตะ、นิโรธวิมุตติหรือวิมุตวิราคะสันตะหรือสันติเป็นต้นแต่อีกหลายคำมีที่ใช้น้อยเหลือเกินบางคำมีที่ใช้แห่งเดียวบางคำใช้บ้างสองสาแห่งจึงไม่ควรถือเป็นสำคัญนักนำมาลงไว้เพียงเพื่อประกอบความรู้เพราะอาจช่วยเป็นแนวความเข้าใจเพิ่มขึ้นบ้างแม้คาแปลที่ให้ไว้ก็พอให้จับความหมายได้บ้างเท่านั้น ไม่อาจให้อัธรสลือกซึ้งสมบูรณ์เพราะขาดข้อความแวดล้อมที่จะช่วยเสริมความเข้าใจข้อที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือหลายสับเป็นคำพูดที่คุ้นหูคุ้นปากของคนเฉพาะยุคสมัยและถิ่นฐานหรือชุมชนนั้นๆเกี่ยวด้วยสิ่งที่เขานิยมหรือลัทธิศา ส, สนาที่เขาเชื่อถือซึ่งเมื่อกล่าวขึ้นมาชนพวกนั้นยอมทราบซึ้งเป็นอย่างดี